Thank you. ก็เดี๋ยวโอกาสครานี้ทบทวนธรรมะเรื่องขันนะเรื่องขันต้องใช้คําว่าทบทวนเพราะว่าสอนญาติโยมมาแล้วทั้งนั้นแต่เมื่อก่อนก็จะพูดเรื่องขันห้าเนี่ยบ่อยจนทุกวันนี้อิ่มจะพูดเรื่องขันห้าคอนี้ก็จะเป็นคอที่มี โยมที่ต้องการที่มีกิจกรรมปฏิบัติขอความอนุเคราะห์ที่จะให้สอนเรื่องขันอย่างเป็นพิเศษคือตั้งใจว่าขอเรื่องขันเรื่องขันห้าเนี่ยเป็นความรู้เบื้องต้นท่านใช้คําว่าความรู้อันเป็นอธิพร ม, มจรัญ ความรู้เบื้องต้นแรกสุดที่บุคคลจะสแสวงหาความบริสุทธิ์ให้กับตนความรู้อันเป็นอธิปรมจรันเลยนะเราคิดว่ารู้เรื่องอะไรต่ออะไรที่จะเป็นความรู้แรกดันเป็นความรู้เรื่องขันถ้ายังไม่รู้แจ้งเรื่องขันเนี่ยจะยังไม่เข้าไปในทางที่ถูกต้องยังสเปะสปะอยู่ พระองค์จึงให้คนสแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นที่พึงมีคำว่าเบื้องต้นก็คือสิ่งแรกๆเลยก่อนที่จะรู้อะไรหลายสิ่งท่านให้ไปพากายไปวิเวกพาจิตไปวิเวกออกจากหมู่กลุ่มให้รู้จักประมาณในการบริโภคให้รู้จักสำรวมอินทรีย์ให้รู้จัก ตามประกอบซึ่งสมาธิให้รู้จักมีสติอยู่กับตนจะลุกจะนั่งจะเดินจะยืนจะกู้แขนเหยียดแขนให้มีสติสมัชัญญะไม่หลุดไปจากตนและท้ายที่สุดเมื่อพากายไปวิเวกแล้วพาตนไปวิเวกแล้วออกจากหมู่กลุ่มแล้วสำรวมในการกินการอยู่อย่างสนโดษสมัติาแล้วสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว สำรวมระวังในศีลปฏิโมกแล้วฝึกสมาธิแล้วก็ใช้กระบวนการทั้งหมดศีลก็ดีแล้วสมาธิก็ฝึกดีแล้วไปที่วิเวกแล้วเนี่ยให้ไปทําการศึกษาขันห้าให้รู้จักธรรมชาติของขันคำว่าให้รู้จักธรรมชาติของขันคือคือรู้จักธรรมชาติของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรก่อนจะรู้จักธรรมชาติของเขาต้องรู้จักก่อนว่าอย่างนี้คือรูปนะนี้คือเวทนานะนี้คือสัญญานะนี้คือสังขารนะนี้คือวิญญาณนะต้องรู้ก่อนกว่าจะรู้จักธรรมชาติเขาต้องรู้จักหน้าตาเขาให้ถูกก่อนว่านี้คือรูปนี้คือเวทนา นี้คือสัญญานี้คือสังขารนี้คือวิญญาณพอรู้จักว่าเขาคืออะไรหน้าตาเขาเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยท่านก็ให้ค้นคว้าว่าธรรมชาติของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นมาได้จากอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้รูปขันนั้นมีขึ้นอะไรเป็นปัจจัยให้มีเวทนาขันเวทนาขันมีขึ้นได้จากอะไร สัญญาขันมีขึ้นได้จากอะไรสังขาระขันมีขึ้นได้จากอะไรและวิญญาณขันมีขึ้นได้จากอะไรอะไรทำให้เขามีขึ้นอะไรทำให้เขาเกิดขึ้นสาวหาเหตุแล้วศึกษาให้รู้ได้ว่ารูปจะดับสนิทไปได้อย่างไรเวทนาขันจะดับสนิทไปได้อย่างไรสัญญาขั น, นสังขารละขันและวิญญาณขันจะดับสนิทไปได้อย่างไร รู้ว่าเกิดจากอะไรและรู้ว่าจะดับสนิทไปได้อย่างไรการศึกษาสามสิ่งสามมุมเท่านี้สามมุมเท่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างความรู้อันเป็นอธิพรมจรัญความรู้เบื้องต้น น, ะนี่คือเบื้องต้นนะให้รู้จักธรรมชาติของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้รู้จักเหตุเกิดเขาเกิดได้จากอะไร ให้รู้จักว่าเขาจะดับสนิทไปเพราะอะไรไม่ใช่ตามดูแค่เกิดดับนะเป็นการตามมองหาว่าเกิดจากอะไรเห็นเวทนาเกิดดับกับเห็นว่าเวทนาเกิดจากอะไรนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันวิญญาณขันรู้ว่าเกิดดับแต่การมองหาว่าวิญญาณขันเกิดจากอะไรและจะดับสนิทไปได้อย่างไรการรู้ว่าเขาเกิดแล้วดับ กับรู้ว่าวิญญาณจะดับสนิทได้อย่างไรเนี่ยเหมือนกันไหมให้ <mm เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าให้ตามศึกษากัน5ให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <mm ให้รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสัญญาสงขารวิญญาณให้รู้จักภาวะอันเป็นที่ดับสนิทไปแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างไรการตามค้นคว้าสา ฐานะอันนี้คือคนควายรู้จักธรรมชาติของขันเหตุเกิดขึ้นแห่งขันการดับสนิทไปแห่งขันนี่แนหะการกระทาอย่างนี้เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งความรู้อันเป็นอธิพรมจ ร, รย์ใความรู้เบื้องต้นนี่แค่เบื้องต้นสำหรับให้คนเข้าใจเลยว่าชีวิตคืออะไรขันห้าคือชีวิต และขันธ์หเป็นเรื่องทุกขษสัต์เรื่องทุกขษสัตเนี่ยจริงๆแล้วในสมัยโบราณพุทธเจ้าท่านแสดงอริยสัจ ส, สีเนี่ยท่านจะแสดงเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์วิธีได้มาซึ่งความลุกทุกท์ทำไมต้องใช้คำว่าทุกข์พอพระองค์แสดงเรื่องคาว่าทุกข์เนี่ยคนเราชอบคิดถึงความรู้สึกเป็นทุกข์จริงๆแล้วในยุคโบราณเนี่ย คนในยุคสมัยนั้นเขากำลังตามหาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและมองเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยคือทุกข์คำว่าต้องการพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความแก่เจ็บตายแต่คนในยุคนั้นไม่รู้เลยว่าทำไมชีวิตถึงต้องแก่เจ็บตายรู้แค่ว่าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย แต่ไม่เคยรู้ว่าทําไมชีวิตต้องแก่เจ็บตายนั้นความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายคือทุกข์คนต้องการพ้นทุกข์ก็คือคนต้องการเป็นอมตะอมตะคือมันมั่นคงเป็นหนุ่มสาวก็มั่นคงโดยความเป็นหนุ่มสาวไม่แก่ชรลาลงมีสุขภาพที่ไม่เจ็บไข้ก็อยู่อย่างไม่เจ็บไข้อย่างมั่นคงไม่ยอมเจ็บไม่ยอมไข้ และไม่ตายนี่็เรียกอมตะต้องการหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นอมตะและเหตุที่ต้องการหาสิ่งที่ทำให้เป็นอมตะเพราะว่าต้องการพ้นทุกข์พ้นทุกข์คือพ้นความแก่เจ็บตายพระเจ้าเวลาแสดงอริยสัจเลยพูดถึงเรื่องทุกข์พูดก่อนพูดถึงเรื่องทุกข์คือพูดถึงเรื่องความแก่เจ็บตาย ความแก่ความเจ็บความตายอธิบายให้คนฟังว่าความแก่เจ็บตายทั้งหลายเนี่ยหรือความทุกข์ทั้งปวงที่บุคคลต้องการพ้นเนี่ยเหตุที่สัตว์ทั้งหลายมีความแก่เจ็บตายก็เพราะอะไรเพราะว่าคนเราไม่รู้ว่าระบบชีวิตของเราคืออะไรเหตุที่คนเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เพราะว่าเนื้อตัวชีวิตของคนเนี่ย มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้และท่านก็นอธิบายเรื่องขันว่ารูปคืออย่างนี้อย่างนี้ประกอบจากสิ่งนี้สิ่งนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้และพออธิบายกัน5จบทาให้คนได้เข้าใจว่าขันห้ามันบังคับไม่ได้เลยและขันห้าเป็นระบบธรรมชาติที่ไม่มีใครจะไปครอบครองเป็นเจ้าของ และขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเข้าไปตั้งอยู่ได้และขันธ์ทั้งห้ามันมีเพราะมีเหตุทาให้เกิดและขันธ์ห้าจะดับไปเมื่อเหตุนั้นดับการอธิบายขันธ์ห้าทำให้เข้าใจเลยว่าใครก็ตามที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเพราะสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นคือเริ่มต้นจากการพูดเริ่มทุกข์ก่อนพูดเริ่มทุกข์ทุกคือแก่เจ็บตาย เพราะทุกคนในยุคสมัยนั้นต้องการพ้นสิ่งเดียวกันคือพ้นแก่เจ็บตายกำลังมองหาคนที่พาพ้นไปจากความแก่เจ็บตายได้ในเวลาพระเจ้าจะนำเสนอสิ่งที่พระองค์รู้ท่านก็ต้องพูดถึงความแก่เจ็บตายเพราะตลาดกำลังต้องการสิ่งนั้นท่านก็จะพูดถึงเรื่องทุกข์ทุกข์คือความแก่เจ็บตายเวลาจะเทศคนก็บอกว่าท่านทั้งหลายท่านผู้ต้องการพ้นทุกข์ ผลความแก่เจ็บตายการที่คนเราจะพ้นจากความทุกข์ได้ท่านต้องรู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรท่านต้องกความแก่เจ็บตายคืออะไรทําไมคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายนั้นเวลาจะพูดว่าทําไมคนเราเกิดมาต้องแก่เจ็บตายเนี่ยท่านตอน้องอธิบายเรื่องขันไหมอธิบายไหม อธิบายเหตุที่คนเราเกิดมาต้องแก่เจ็บตายเพราะอะไรกระเพราะรูปคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารคืออะไรพอที่บายจบคนนั้นเลยพบคําตอบเลยว่าไม่ได้มีเราในขันห้าขันห้าไม่ใช่ของของเรามีแต่ระบบธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับบังคับไม่ได้และเมื่อไม่ใช่ของเราคนนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ บ, บังคับควบคุม นั้นการอธิบายขันธ์ห้าจนครบถ้วนจึงรู้ได้ว่ากฎธรรมชาติจริงจริงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนั้นใครก็ตามเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดเกิดและไม่ดับและไม่มีบุคคลใดจะไปบังคับสิ่งที่ไม่ใช่ของของตัวได้ว่าเจ้ารูปเจ้าอย่าดับนะเวทนาอย่าดับนะนี่บังคับไม่ได้ การเข้าใจเรื่องขันเลยเข้าใจกฎว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาและเข้าใจว่าเมื่อไม่ได้มีเราอยู่ในขันห้าและขันห้าไม่ใช่ของเราจึงเข้าใจอีกหนึ่งกฎคือตนไม่มีสิทธิ์ไปบังคับควบคุมเมื่อไม่มีสิทธิ์บังคับควบคุมแล้วเจ้าขันทั้งห้าเนี่ยที่บังคับไม่ได้เนี่ยมันดันอยู่ภายใต้กฎคือเมื่อเกิดแล้วจะต้องดับอะไรเกิดถึงนั้นต้องดับ ความเข้าใจชีวิตอย่างนี้จึงเข้าใจทุกคือเขานาน ano, <código> ้าใจว่าทำไมชีวิตเกิดมาจึงต้องแก่ทำไมทุกคนเกิดมาจึงต้องเจ็บทำไมทุกคนเกิดมาจึงต้องตายอย่างนี้เรียกเข้าใจทุกไหมเข้าใจแต่เมื่อก่อนไม่เข้าใจทุกไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจเรื่องแก่เจ็บตายว่าใครก็ตามที่เกิดต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเขาไม่เข้าใจเรื่องนั้นเขาจึงพยายามหาสิ่งที่ทาให้ไม่แก่ ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่รู้ว่าความแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่เป็นธรรมดากับสิ่งที่เกิดพอพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องความแก่เจ็บตายว่าคืออะไรก่อนเพ <lor an> ราะว่าคนยุคนั้นต้องการจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าต้องการจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งก็ต้องอธิบายเรื่องแก่เจ็บตายก่อนว่าคืออะไรเวลาที่ายเรื่องแก่เจ็บตายใช้กำลอธิบายเรื่องทุกข์ม ใช่ไหมใช่ใจ่ายที่บายให้คนรู้ว่าแก่เจ็บตายคืออะไรเนี่ยต้องพูดถึงขันห้าไหมพูดก็ต้องเท้าไปว่าขันห้าเนี่ยคืออะไรเหตุหนึ่งที่ทำให้คนแก่เจ็บตายก็เพรารูปมันคืออย่างนี้อย่างนี้เวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้จนพบว่าโอ้มันเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาควบคุมไม่ได้นี่บังคับไม่ได้นี่ เมื่อรู้ว่าควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้พบว่าคนเกิดมาแล้วจะไม่ดับมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีจะตามหาต่อั้มเจอทางตันเลยพอเพราะว่าไม่มีนี่เจอทางตันเลยนะไปไม่เป็นแล้วเหมือนพระเจ้าก็เจอทางตันเหมือนกันเพราะอยากไม่ตายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บแต่พอรู้เรื่องขันห้าท่านพบว่าไม่มีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับ ขันท่านี้ก็ไม่ใช่ของเราและไม่ได้มีเราในขันห้าด้วยดันเจอความรู้เรื่องนี้แทนมีแต่ธรรมชาติล้วนๆพอเจอความรู้อย่างนี้ย่อมพบคำตอบว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองผู้เกิดมาจะไม่แก่เจ็บตายไม่มีเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเมื่อไม่มีพุเจ้าก็ต้องชี้ทางว่า เหตุที่คนเราเกิดมาต้องแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้แบบนี้นั้นใครก็ตามที่เกิดจึงต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่มันยังมีอีกทางหนึ่งนะถ้าหากจะพ้นแก่เจ็บตายจริงๆต้องจัดการที่เหตุเหตุคือเมื่อ ย, ยังแก่เจ็บตายก็เพราะว่าเกิดถ้าสิ้นการเกิดก็สิ้นความแก่เจ็บตายถ้าไม่เกิดก็ไม่ดับ ถ้าเกิดต้องดับถ้าเกิดต้องดับแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่ดับการต้องการจะไม่ดับก็ต้องไม่เกิดและพระองค์ก็ตรัสบมันมีภาวะหนึ่งที่เมื่อรู้ถึงแล้วคนนั้นจะไม่เกิดนั่นคือทําลายที่เหตุถ้าอยากไม่แก่ก็ต้องไม่เกิดอยากไม่เกิดก็ต้องทําให้ขันดับสนิทเขาเรียกว่าสิน้นภพ ขันจะดับสนิทเมื่อจิตสิ้นอุปาทานจะสิ้นอุปท า, านเพราะสิ้นตัณหาทีนี้ก็เริ่มอธิบายเหตุเกิดทุกข์แล้วว่าเหตุที่ทําให้ยังเกิดเพราะอะไรเพราะมีตัณหาจึงมีอุปท า, านอย่างไงมีอุปท า, านจึงจะไม่ขันไม่ดับอย่างไงพรพอขันไม่ดับสนิทการเกิดอีกต่อไปย่อมมีอธิบายเหตุการเกิดและอธิบายว่าถ้าตัณหาอุปท า, านพบสิ้นไปสภาพนั้นจะเป็นอย่างไร ถ้าตัณหาสิ้นอุปทานสิ้นพบสิ้นการเกิดอีกต่อไปจะไม่มีและจุดนั้นอยู่ที่ความสิ้นตัณหาการอธิบายนิผ่านต่อว่าจุดนั้นเมื่อจิตสิ้นตัณหาแล้วขันจะดับยังไงขันจะดำลงอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายยังไงการเกิดอีกต่อไปจะไม่มียังไงนี่คือธิบายความดับทุกข์และอธิบายว่าเหตุที่ทําให้สัตว์ยังเกิดเพราะอะไรเพราะาตัณหาเป็นปัจจัยเป็นนายช่างก่อเรือน พอมีตัณหาจิตจะมีประทานพอมีประธานขันมันไม่ดับยังไงมีประธานจะมีภพพอมีภพการเกิดอีกต่อไปก็มีพอมีเกิดก็มีแก่เจ็บตายถ้าจะสิ้นแก่เจ็บตายต้องจัดการที่เหตุก็คือทำให้สิ้นชาติจะสิ้นชาติต้องสิ้นภพจะสิ้นภพต้องสิ้นอุปาทานจะสิ้นอุปาทานต้องสิ้นตัณหาได้อธิบายว่าตัณหาเนี่ย เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรและจุดที่จะสิ้นทุกข์สิ้นแก่เจ็บตายต้องสิ้นเกิดจะสิ้นเกิดต้องสิ้นตัณหาได้อธิบายสภาพที่สิ้นตัณหาว่าเป็นอย่างไรคือความดับทุกข์และที่สุดก็อธิบายว่าแล้ววิธีทำอย่างไรจึงจะสิ้นตัณหาก็เลยอธิบายมรรคอีกอตัวหนึ่งจบกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย พอที่บายเรื่องทุกข์กระส์ก็แค่เล่าเรื่องขันให้ฟังพอฟังแล้วก็แค่รู้ว่าอตามตะมีมไหมไม่มีพอไม่มีแล้วจะไปไหนต่อดีไปได้ไหมไปต่อไม่ได้เพราะว่าแต่เดิมคาดหวังจะเป็นอมตะเนี่ยพอพระเจ้าที่บายเรื่องขันปุ๊บพบว่าอมตะที่ทําให้ตนไม่แก่เจ็บตายไม่มีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับแต่ถ้าอยากไม่แก่เจ็บตาย ก็มีอยู่นะเห็นไหมเนี่ยท่านเสนอทางออกแต่จะพ้นแก่เจ็บตายต้องจัดการที่เหตุและเหตุที่ทำให้สัตว์ยังเกิดก็เพราะมีตัณหาอุปาทานภพชาตินี้แล้วอธิบายเหตุเกิดทุกข์แต่ถ้าสิ้นตัณหาแล้วจิตก็จะอยู่ในฐานะแบบนี้แบบนี้นะพอฐานะที่สิ้นตัณหา ขันจะดำรงอยู่เป็นอั t ภาพสุดท้ายการเกิดจะไม่มีก็จะอธิบายเรื่องความดับทุกข์อีกทีพออธิบายเสร็จรู้วิธีปฏิบัติไหมถ้าแค่เนี้ยไม่รู้ไม่รู้แล้วหยุดเทศแค่นี้เลยได้ไหมก็ต้องไปต่อเรื่องมักรอยู่ดีก็อธิบายว่าทำอย่างไรจึงสิ้นตัณหาอาริยสัจ ต, ต้องหมุนมาให้ครบไม่งั้นจบไม่ได้อธิบายแค่เรื่องขันอย่างเดียวจบเจอทางตันไห ตัเพราะว่ารู้แค่เริ่มขันก็รู้ว่าเออสิ่งใดเกิดต้องดับเป็นธรรมดาอมาตะไม่มีไม่มีหรอกสิ่งที่เกิดมาแล้วจะไม่ดับถ้ารู้แค่นี้ไปไหนต่ออยากไม่แก่เจ็บตายทางไงดีก็ไม่รู้ไม่รู้นี่ค้างขาไหมค้างขาเพราะอะไรเพราะคนยุคนั้นกำลังหาอมาตะหาความพ้นทุกข์คือหาการพ้นจากแก่เจ็บตาย แต่พอแสดงเรื่องขันพบว่าพ้นไหมไม่พ้นคนเราต้องตายเป็นธรรมดาไม่พ้นเมื่อไม่พ้นรู้แค่อย่างเดียวว่าไม่มีพอไม่มีก็คือไม่มีทางละหมดหนทางเพื่อเจ้าจึงต้องไปต่อว่ามันมีอยู่นะถ้าต้องการพ้นแก่เจ็บตายต้องจัดการที่เหตุเหตุที่แก่เจ็บตายเพราะเกิดเหตุที่มีการเกิดเพราะอะไรเพราะมีตัณหาจิตจึงมีอุปทานโดมีประทานขันไม่ดับ พอไม่ดับการเกิดจะมีแล้วถ้าอยากไม่เกิดล่ะก็ต้องทำให้สิ้นตัณหาพอสิ้นตัณหาอุปาทานดับพบจะดับยังไงพอพบดับชาติก็ดับนันนี้คืออธิบายเรื่องเหตุเกิดทุกข์เสร็จแล้วก็อธิบายสภาพความดับสนิทแห่งทุกข์ที่ถึงแล้วจะเป็นยังไงพออธิบายเสร็จหยุดแค่นี้ได้ไหม เพราะไม่รู้วิธีทำอะแล้วถ้าทำยังไงอะจะถึงทำยังไงจะสิ้นตัณหาล่ะแล้วทำยังไงจะเจอความดับล่ะก็ต้องไปอธิบายมรรคอีกตัวหนึ่งพอที่ายเรื่องมรรคทีนี้เข้าใจเลยว่าจะทำยังไงให้สิ้นตัณหาเข้าใจเลยว่าการจะทำให้สิ้นทุกเนี่ยคือต้องจัดการที่เหตุคือทำให้ตัณหาสิ้นไปและทำให้สิ้นการเกิดจึงพ้นความแก่เจ็บตายได้นี่คือความเข้าใจพอเข้าใจอย่างนี้ ครบท้วนเรื่องขันก็เข้าใจว่าไม่ใช่เราแล้วรู้ว่าถ้าจะดับทุกต้องดับที่เหตุคือดับที่ตัณหาแล้วรู้ว่าจุดที่สิ้นตัณหาแท้จริงก็คือจุดที่การเกิดนั้นสิ้นไปแล้วรู้ว่าจะสิ้นตัณหาต้องอบรมมักยังไงยังไงพอรู้อย่างนี้หมดความสงสัยไหมหมดความสงสัยเรื่องแก่เจ็บตายหมหมดความสงสัยเรื่องทุก์รู้เลยว่าชีวิต ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาหมดความสงสัยเรื่องขันห่าหมดความสงสัยเรื่องระบบธรรมชาติหมดความสงสัยเรื่องเหตุที่ทำให้สั ต, สตว์เป็นทุกข์เหตุที่ทำให้ยังแก่เจ็บตายเพราะยังมีการเกิดและหมดความสงสัยว่าถ้าจะพ้นทุกข์จริงๆมันเหลือทางเดียวคือต้องไม่เกิดและจะไม่เกิดต้องทำให้สิ้นตัณหาและจุดที่สิ้นตัณหาคือจุดที่ เป็นความสำเร็จสมบูรณ์ที่ทำให้คนพ้นทุกข์ได้นั้นรู้ไม่ว่าตัวเองจะต้องทำให้สิ้นตัณหาถ้าฟังรู้ว่าต้องทำให้สิ้นตัณหาเพราะจุดที่สิ้นตัณหาจึงเป็นจุดที่พ้นทุกข์ได้ทำให้รู้ว่ากิจของตัวเองเนี่ยต้องไปทำให้สิ้นตัณหาถ้าสิ้นตัณหาจึงสิ้นการเกิดสิ้นเกิดจึงสิ้นแก่เจ็บตายและถ้าพเจ้าอธิบายเรื่องมรรคเข้าไปอีกก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงทำให้สิ้นตัณหาและสิ้นตัณหาแล้วก็รู้ว่าจะสิ้นเกิดเมื่อสิ้นเกิดก็สิ้นแก่เจ็บตายความรู้สี่เรื่องนี้ทำให้หมดความสงสัยในธรรมหมดความสงสัยมองภาพออกเลยว่าจะไปต่ออย่างไงจะดับทุกยังไงจะพ้นทุกยังไงรู้ว่าต้องทาให้สิ้นตัณหารู้ว่าจุดที่สิ้นตัณหาจะทาให้สิ้นเกิดตาย รู้ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงจึงสิ้นตัณหาและรู้ว่าอมะตะไม่มีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับการรู้สีเรื่องนี้คือความรู้ชั้นดวงตาเห็นธรรมพอรู้สี่เรื่องนี้จะสงสัยเรื่องการปฏิบัติอีกั้มไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะทำยังไงพอรู้สี่เรื่องนี้ชัดเจนเลยรู้ไหมว่าต้องทำลายอะไรให้สิ้นไปรู้ต้องทาให้สิ้นอะไร ตัหารู้แล้วสิ่งที่ต้องทำลายคือตัณหารู้แล้วว่าจุดที่จะไม่เกิดคือจุดที่สิ้นตัญหารู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงถึงสิ้นตัญหารู้แล้วว่าชีวิตคืออะไรทำไมต้องแก่เจ็บตายการรู้สี่เรื่องนี้ทำให้บุคคลชื่อว่ามีดวงตาเห็นธรรมรู้เรื่องความไม่มีเราทำให้สิ้นสักกายทิฏฐิสังโยชน์ได้ สักกายะทิฏฐิคือความเห็นว่ามีเรานะความเห็นว่ามีตัวตนนะไม่ใช่ความเห็นว่ามีร่างกายนะมีตัวตนกับมีร่างกายอันเดียวกันไหมคนละอันนะมีตัวตนคือมีตัวบุคคลมีตัวเราในขันห้าเนี่ยเขาเรียกสักกายะนะการมีตัวตนการมีตัวเราเนี่ยแต่พอมารู้แจ้งขันห้าครบและเห็นตามเป็นจริงว่าว่างจากเราเนี่ยแล้วเห็นจริงๆเนี่ย ความเห็นเดิมที่เคยเชื่อว่ามีตัวเรามาโดยตลอดเนี่ยหมดไปไหมหมดจะเชื่อแบบเดิมอีกได้มะไม่ได้แล้วต้องละไหมะต้องละความเห็นว่าตัวตนไหไม่ต้องละเราไปเจอความรู้ใหม่แล้วเพราะว่าเอ้ามันไม่มีเรานี่แล้วเชื่อจริงๆว่ามันไม่มีเราจริงๆไอ้ที่เคยเชื่อมานานว่ามีเรามาตลอดถูกลบทิ้งไหลบต้องละมะ ไม่ต้องละ น, นี่คือสกกายยะทิฏฐิสังโยชน์สิ้นไปเมื่อรู้แจ้งทุกขสัตต์คำว่าทุกขสัตต์เวลาพระเจ้าอธิบายให้คนรู้ว่าไอ้ความแก่เจ็บตายคืออะไรเนี่ยไม่พูดถึงขันห้าได้ไหมได้ไหมไม่ได้อยากอธิบายคนในโลกยุคนั้นเนี่ยที่เขาตามหาความไม่แก่เจ็บตายเนี่ยเขาก็ต้องพูดถึงว่าท่านทั้งหลาย ความไม่แก่เจ็บตายที่ท่านตามหากันอยู่การที่ท่านจะหาสิ <spe> okay ่งนี้ท่านต้องรู <Yes. S 2> ้ก <stem> ่อนว่าทาไมชีวิตถ sure ึงต้องแก่เจ็บตายเห็นไหมดังนั้นการพูดถึงว่าทําไมชีวิตถึงต้องแก่เจ็บตายใช่พูดเรื่องทุกข์ไหมทุกข์มกเพราะคนต้องการพ้นทุกข์คือพ้นแก่เจ็บตายท่านจึงพูดเรื่องทุกข์เรื่องแก่เจ็บตายมาเป็นประเด็นเหตุที่ชีวิตต้องแก่เจ็บตายเพราะอะไร เพราะว่าชีวิตของทุกคนประกอบมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรอแจกแจงจนกระจ่างเวทนาคืออะไรแจกแจงจนกระจ่างสัญญาคืออะไรแจกแจงจนกระจ่างกระจ่างครบห้าขันรู้ได้ไ้ยว่าขันห้าไม่ใช่เราถ้าจริงรู้ได้ไหมได้ แจกแจงครบผ้าขันเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้ได้ไหมว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดารู้นี่คือแจกแจงทุกขสัตว์การรู้แจ้งทุกขสัตว์ก็คือต้องรู้แจ้งขันห้าไหมรู้แจ้งขันห้าแต่นี่คือเกณฑ์คำว่าทุกขอริยสัตว์การรู้แจ้งทุกขอริยสัตว์ก็คือรู้แจ้งขันห้าครบถ้วนเนี่ยทำให้สักไกยทิฐิสัมโยชน์สิ้นไปเลย กับการรู้แจ้งเหตุเกิดทุกภพรู้แจ้งแค่ทุกขสัตว์ตัวเดียวรู้แจ้งกัน5้าตัวเดียวเนี่ยถือว่ารู้ทางพ้นทุกข์หรือยังยังไม่รู้รู้แค่ว่าเอา้อาอมตะไม่มีนี่แล้วไปไงต่อยังมืดอยู่หรือว่าบังคับไม่ได้รู้ไม่ใช่เราอะ่ะแล้วจะพ้นทุกข์ได้ยังไงอะ่ะก็เกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาก็ต้องฟังต่อว่าจะพ้นทุกข์ต้อง จัดการที่เหตุและเหตุที่แก่เจ็บตายคือคือการเกิดจะพ้นแก่เจ็บตายต้องพ้นเกิดจะพ้นเกิดต้องทําให้สิ้นตัณหาอุปาทานพบพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานพรอมีอุปาทานขันจะไม่ดับได้อย่างไรพอขันดับไม่สนิทการเกิดจะยังมีท่านกอธิบายเหตุเกิดทุกข์จนเข้าใจออกระบบอย่างนี้นี่เองตัณหานี่เองทําให้การเกิดยังอยู่ และอธิบายเรื่องถ้าจะพ้นทุกข์ต้องพ้นการเกิดก็ต้องทําลายตัณหาให้สิ้นการเกิดถึงสิ้นไปแล้วอธิบายความดับสนิทว่าเมื่อสิ้นตัณหาแล้วจิตเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงขันดํารงอยู่เป็นอัิภาพสุดท้ายยังไงการเกิดต่อไปจะไม่มียังไงนี่คืออธิบายความดับทุกข์พอรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุกับทุกข์รู้ความดับทุกข์แล้ว <S <S เข้าใจภาพออกแล้วว่าถ้าจะพ้นทุกข์ต้องทําให้สิ้นตัณหา แล้วเข้าใจเลยว่าจุดที่สิ้นตัณหาเท่านั้นทำให้การเกิดสิ้นไปเป็นอย่างไรนี้หมดความสงสัยเรื่องการดับทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์ละแต่แล้วปฏิบัติยังไงอ่ะ <c oughs> ก็ต้องที่ายมรรคต่อว่าทำยังไงให้สิ้นตัณหาแล้วถึงความดับทุกข์พอที่ายเรื่องมรรคจบทีนี้ความสงสัยเรื่องชีวิตก็หมดไป ความสงสัยเรื่องเหตุเกิดทุกข์ก็ไม่มีความสงสัยเรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์ว่าจะพ้นทุกข์ได้ยังไงก็ไม่มีความสงสัยเรื่องวิธีปฏิบัติก็ไม่มีเมื่อนั้นวิจิกิชฉาสังโยชน์ก็สิ้นไปสิ้นไปเลยต้องละมะไม่ต้องละถ้าไม่รู้เรื่องมรรคยังสงสัยไหมถ้ายังไม่รู้ว่าจะจะพ้นแก่เจ็บตายยังไงยังสงสัยไหสงสัย แต่พอธิบายอริยสัจ4ี่ครบเนี่ยยังสงสัยไหมว่าจะพ้นแก่เจ็บตายยังไงไม่ละรู้ว่าจะพ้นแก่เจ็บตายต้องพ้นเกิดจะพ้นเกิดต้องทําลายที่เหตุและเหตุคือตัณหาและจะสิ้นตัณหาเมื่อใดสิ้นเมื่อ น, นั้นพ้นทุกข์ไม่สงสัยละรู้จักชีวิตรู้จักเหตุเกิดรู้จักความพ้นทุกข์ไม่สงสัย หน้าที่ตรงนี้วิจิกิจฉาสังโยชน์สิ้นไปหมดความสงสัยในธรรมและไม่สงสัยในตัวของผู้แสดงด้วยไม่สงสัยในครูด้วยหมดความเครือบแคลงในผู้ให้ธรรมอันนี้เพราะเข้าใจในธรรมกลายเป็นหมดความสงสัยทั้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาวิจิกิจฉาสังโยชน์ตัวนี้ก็สิ้นไปต้องละมะไม่ได้ต้องละกับ หมดศีลพัฒนาปรามาสสังโยชน์ศีลพัฒนาปรามาจริงๆคนตีความว่างมงายไม่มีเขตไม่ผลจริงๆไม่ใช่แบบนั้นมันมาจากคําว่ารูปคล้ำในศีลและพจนมันมีคําว่าศีลพัตุ ป, ปาทานยึดมั่นในศีลแลพจน์กับศีลพัฒนาปรามาศรูปคล้ำในศีลและพจน์คาว่าศีลก็คือการแสวงหาความบริสุทธิ์ รตคือการบำเพ็ญภาวนายังมีการรูปคำในข้อปฏิบัติที่จะแสวงหาความบริสุทธิ์การรูปคำหมายถึงว่าเข้าใจในทางหรื อ, อยังคำว่ารูปคำคือยังไม่รู้เรื่องอ่ะการปฏิบัติยังไม่รู้จะดับทุกตรงไหนจะดับอะไรจะละยังไงจะละอะไรจะพ้นทุกยังไงแต่อยากถึงเมื่ออยากถึงแล้วยังมองไม่ออกรูปคำไหม เดียวมสำคลําไปสํานักนี้เอ้าไม่ใช่ไปสํานักนู้นต่อครําต่อการปฏิบัติที่ยังคลําหมายถึงว่าเจอทางหรื อ, อ ย, ยังยังคลําคือยังมืดอยู่ถูกไหมยังรูปรูปก็หมายถึงว่าหาทางอยู่เวลาโยมปิดไฟเวลายมจะเดินโยมรูปคํามไหมรูปโยมรูปรูปคําเพราะอะไรมองไม่เห็นทางแต่ได้เห็นทางแล้วรูปคํามไหมไม่อีกแล้ว พอไม่รูปคำทีนี้ไหลเลยไหมไหลไหลเลยแล้วไหลไปสู่กระแสนิพพานเลยตรงแล้วไม่รูปคำแล้วนั้นเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมอยู่มันหมดการรูปคำในศีลและพลศเห็นความเข้าใจในอริยสัจ4ี่ประการเนี่ยหมดการรูปคำได้มัมเพื่อเจ้าอธิบายเรื่องมรรคเนี่ยเข้าใจหมเข้าใจมรรคแล้ว เขาใจทุกข์แล้วเข้าใจเหตุเกิดทุกข์เข้าใจความดับทุกข์เข้าใจว่าต้องละอะไรเข้าใจว่าจะถึงได้นะี่ต้องทำให้อะไรสิ้นไปเข้าใจว่าจะสิ้นไปต้องทำยังไง ร, รูปคำอีกไหมไม่อีกแล้วไม่มีการรูปคำแล้วแล้วพอเข้าใจเรื่องขันเข้าใจกฎธรรมชาติจะงมงายไหมกลายเป็นเขาถึงความเป็นคนมีเหตุมีผลหมดทั้งความงมงายกลายเป็นคนสมบูรณ์ได้เหตุและผล พอเขาถึงกฎธรรมชาติและมองภาพออกมองชีวิตเข้าใจระบบปฏิบัติเข้าใจเหตุเกิดทุกข์เข้าใจจุดที่ว่าจะดับทุกข์หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยถ้าเข้าใจครบสี่อย่างยังเหลือการลูกคล้าอีกไหมนั้นสีลรพฐาปรามาสสังโยชน์ก็สิ้นไปเท่ากับในครั้งพุทธกาลเนี่ยการแสดงอริยสัจทั้ง4เนี่ยทให้คนเมื่อรู้ตามเนี่ย เกิดความรู้ชั้นดวงตาเห็นธรรมนั้นใครอยากเป็นโสดาบันไม่มีดวงตาเห็นธรรมได้ไหมแล้วการมีดวงตาเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจสี่ได้ไหมไม่ได้ต้องรู้ครบไหมครบนะถ้าไม่ครบหมดสงสัยไหมไม่หมดมนั้นการที่ใครตามหาเป็นโสดาบันเนี่ยก็ต้องตามหาความรู้ชั้นดวงตาเห็นธรรม ความรู้ชั้นรองต่ายทำคือรู้เรื่องอะไรอริยสัจทั้งสี่ฉบับเดียวกับที่พระเจ้าแสดงด้วยนะอริยสัจทุกวันนี้มีหลายฉบับสิบครูสิบฉบับโยมต้องหาฉบับนั้นที่ฟังแล้วหมดสังโยชสามตัวไปเลยสังโยตสามตัวไม่ใช่ละแต่สิ้นไปเพราะรู้ชอบพอพระเจ้าแสดงอริยสัจสี่ครบยะสะเป็นโสดาบันเลยอริยสัจสี่ครบ อัญญาโกธัญะเป็นโสดาบันนะเรียกธรรมจักกับปตตนสูเน่ธรรมจักเนะ่เพราะว่าแสดงอริยสัจนั่นแหละเขาเรียกอริยสัจเหมือนธรรมะที่เป็นเหมือนจักแต่เหตุที่แสดงธรรมครั้งแรกแล้วอัญญาโกธัญะเข้าใจคนเดียวไม่ใช่ว่าสี่คนไม่มีปัญญานะสี่คนจิตยังไม่เปิดนะเพราะยังเคลือบแคลงในผู้แสดงธรรมการแสดงธรรมครั้งแรกของพระเจ้าน่แสดงกับ ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเบาบางด้วยกันทุกคนปัญญามากทุกคนคนมีปัญญาจะคบผู้มีปัญญาและคบกันโดยธาตุนะท่านอัญญากวทันยัคบแต่ละคนในฉลาดทุกคนนะและมีศีลเสมอกันทุกคนชอบสิ่งเดียวกันทุกคนเบาบางเหมือนกันทุกคนต่างกันที่คนเหล่านั้นไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อนมีท่านอัญญากวทันยัคนเดียวเคยรู้จักพระองค์และเชื่อมั่นว่าพระองค์ต้องบรรลุ ค, ความสําเร็จ เฝ้ารอพระองค์ว่าเมื่อไหร่จะบวชพอปฏิบัติแล้วเฝ้ารอพระองค์ว่าเมื่อไหร่จะตัดสูเพราะเชื่อว่าจะถึงถึงแม้จะผิดหวังตอนทรมานตนแต่พอพระองค์มาแสดงธรรมจริงก็ยังเชื่ออยู่ว่าอาจจะถึงจริงเพราะตัวเองก็เชื่อตัวเองว่าดูคนไม่น่าจะผิดจึงเปิดใจเต็มที่ที่จะฟังทุกอย่างอย่างดีว่าพึ่งเจ้ารู้อะไรแต่สี่คนเปิดเต็มที่ไหมเพราะ ผิดหวังมาแล้วไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะได้ปัญญาเท่ากันเบาบางเท่ากันคนหนึ่งเปิดใจรับเต็มที่เข้าเต็มเต็มกับคนหนึ่งเปิดใจไม่เต็มที่เนี่ยเข้าเต็มไมพอไม่เต็มจึงไม่ได้รับความสำเร็จจากการฟังในครั้งนั้นเลยสาเร็จคนเดียวคือท่านัญญาโกรธัญญาพอฟังจบจึง เกิดความรู้ชั้นดวงตาเห็นธรรมแล้วรู้ว่าอ๋อสิ่งใดก็ตามที่เกิดต้องดับเป็นธรรมดานั้นใครก็ตามในยุคนั้นจะหาวิธีทาให้ตัวเองไม่แก่เจ็บตายเนี่ยเสียเวลาเปล่าไหมเสียเวลาเปล่าไปทรมานตนแทบแย่เพื่อไม่ตายเนี่ยเสียเวลาเปล่าเพราะสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายมีทางเดียวคือต้องไม่เกิด อย่างที่พระองค์บอกจริงๆและจะไม่เกิดก็ต้องทําให้สิ้นตัณหาและจะสิ้นตัณหาก็ต้องระบบปฏิบัติต้องอย่างนี้พอเห็นครบสี่อย่างจึงชื่อว่ามีดวงตาเห็นธรรมงย่างใครตามหาเป็นโสดาบันเนี่ยต้องตามหาความรู้ที่ทําให้กลายเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมและความรู้อันนั้นคือความรู้เรื่องอริยสัจสี่ รู้อริยสัจทั้งสี่นะจึงหมดสักการย่อทิฏฐิวิจิกริชฌาสีละพตะปรามาสหมดคำว่าหมดคือละหรือบังไม่ได้ละแต่สิ้นไปเองไม่ได้ละนะสัโยชนเขาไม่ได้ละขอเอาไว้วัดท่านให้เอาไว้วัดว่ายังมีตัวนี้ไหมถ้ายังมีตัวนี้เธอไม่ใช่ยังมีตัวนี้ไหมถ้ายัง ม, ม, ยง ม, ม, ยงมียังไม่ใช่ขอเอาไว้ให้วัด เพราะว่าพอถึงจริงๆไม่มีอะไรมาบอกว่านี่เธอโสดาบันแล้วนะเปอจิตมันไม่บอกถ้าบอกแสดงว่าปลุงเอาเองจิตเขาไม่มาบอกว่านี่เขาไม่มเขาไม่มีขั้นให้บอกว่าอันนี้คือโสดาบันอันนี้คือสักกะมันไม่มีบอกเพื่อเจ้าเลยทิ้งเครื่องวัดไว้ให้พอเครื่องวัดไว้ให้ตีความเข้าข้างตัวเองได้ไหมได้อยากเป็นโสดาบันตีเข้าข้างตัวเองเลยนี่คือ เบื้องต้นความรู้เบื้องต้นอันเป็นอาิพรมจรรย์คือเรื่องขันเหตุเกิดขึ้นแห่งขันการดับสนิทไปแห่งขันนี่คือเบื้องต้นแต่ความรู้ที่ทำให้คนกลายเป็นโสดาบันเนี่ยใช้ขันเรื่องเดียวไหมใช้ความรู้ไม่มีเราอย่างเดียวั้มไม่ใช่แต่หมายถึงความรู้เรื่องทุกเหตุเกิดทุกความและทุกมรร จึงทําให้สิ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์ได้สิ้นศีลพัตตปรามาสได้ความรู้เรื่องขันเรื่องเดียวทําให้สิ้นสักกายทิฐิได้ความเห็นว่ามีตัวเรามีตัวตนมีบุคคลเราเขาเนี่ยสิ้นไปเพราะรู้แจ้งขันทั้งห้าแต่พอ ร, รู้แจ้งกันห้าแค่เค่รู้ว่าขันนี้ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เกิดแล้วต้องดับสิ่งใดเกิดต้องดับเป็นธรรมดารู้แค่นี้ แต่อยากไม่แก่เจ็บตายอ่ะไปไงต่อไปได้ไหมไม่ได้ไปไม่ได้พุทธเจ้าต้องเทศต่อไหมเทศต่อเสนอทางออกให้อยากพ้นแก่เจ็บตายต้องจัดการที่เหตุเท่านั้นเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาและเหตุที่แก่เจ็บตายก็เพราะเกิดเหตุที่เกิดก็เพราะมีนี่นี่นี่สัตว์จึงยังเกิดและถ้าจะไม่เกิดก็เพราะนี่นี่นี่ดับไปการเกิดจึงสิ้นไป และจะไม่เกิดจะทําให้สิ่งนี้สิ้นไปก็ต้องปฏิบัติตามนี้นี้นตัณหาจึงสิ้นไปอริยสัจสีระจบความสงสัยหมดเลยสว่างเลยโอ้เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติเข้าใจเลยว่าอมตะไม่มีเข้าใจเลยว่าจะสิ้นทุก์ต้องสิ้นเกิดเข้าใจเลยว่าตัณหาเป็นเหตุทำให้สัตว์ยังเกิดจะไม่เกิดต้องทําให้สิ้นตัณหา เราเข้าใจเลยว่าจะสิ้นตรณหนต้องทำยังไงพอเข้าใจอย่างนี้การไปฏิบัติยังจะต้องคลำสเปดสปายไหมไม่แล้วไม่สเปสะสปายอีกแล้วทีนี้ไหลแล้วเป็นผู้แรกสู่กระแสนิพพานเป็นผู้ไหลเป็นผู้ไหลนั้นข้อศึกษาของเราในคอสนี้ก็จะเริ่มที่เรื่องขันหลายคนฟังเรื่องขันมาแล้วแต่ก็ มาเพิ่มเติมในแง่มุมหลากหลายต่างๆของกันทั้ง5้าเห็นการมีช่วงเวลาที่นี่ในระยะเวลาของการมาศึกษาธรรมะหลายคนก็มีข้อผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหลายครั้งก็บริหารตัวเองกันเอาเองที่จะรู้จักสํารวมในศีลอย่างไรสํารวมในข้อปฏิบัติอย่างไรรู้จักใช้เวลา ในการทำสมาธิในการเจริญวิปัสนาในการรักษาจิตในการเป็นอยู่อย่างไรให้ดีให้เป็นบุญให้สงบและให้ได้ประโยชน์สาระกับการศึกษาเล่าเรียนที่จะมาถึงก็ตามกิจเดิมๆสำหรับอาจารย์อาจารย์เน้นมาเพื่อชวนโยมเรียนปริยัติอาจารย์ไม่ได้นำปฏิบัติขอปฏิบัติทั้งหลายสองสาวันไม่ได้เรื่องอะไรจะปฏิบัติจริงๆต้องทั้งชีวิต สามวันคือการมาเล่าเรียนอาจารย์มาเป็นผู้สอนให้โยมได้เรียนนั้นการมาที่นี่คือการมาเรียนแต่การจะเรียนได้ดีคือโยมต้องมีจิตที่สดใสดีเมื่อเราแยกจากกันก็ว่างๆก็ไปนั่งนิ่งเพื่อชารพลังไว้ให้พอแล้วสาจิตให้สะอาดเอาไว้อย่าให้ร้อนอย่าให้กระด้างงนั้นจิตที่ดีเย็นดีสดใสดีมีพลังดีเนี่ยฟังธรรมะก็จะเกิดประสิทธิภาพในการเล่าเรียน ยินดีต้อนรับทุกๆคนและขออนุโมทนากับญาติโยมอนุโมทนากับเจ้าภาพอนุโมทนากับว่องวานนิดที่ให้มีกิจกรรมการศึกษาธรรมะ